RMUT Talk ทสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUT เอ l มยทค่ะวันนี้เจอกันนะคะดิฉันอารธิตยาปกธทานังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะ เรื่องราประเด็นของเราในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ของทางวิทยาลัยแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีในหลักสูตรสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะวันนี้ที่ฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์สุ ร, รัตน์วดีทั้งมั่งมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมอทรธั ญ, ญบุรีซึ่งอาจารย์เองจะมาพูดคุยกันถึงหลักสูตรนี้แล้วจบไปทํางานอะไรนะคะและเข้ามาเรียนในนี้ จะได้เรียนอะไรบ้างต้องรอติดตามรับฟังคุยกันในรายการค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรัตน์สวัสดีค่ ะ, ส ว, ส, คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหลักสูตรใหม่นี้นะคะสาขานโนัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเราต้องบอกว่าแหมมาแบบว่าล่าสุดเลยทีเดียวนะคะสําหรับวิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยเองอยากให้อาจารย์นี้พูดถึงกันนิดนึงว่าทําไมเราถึงได้มีการมีแนวคิดในการออกหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะค่ะสำหรับ ในในส่วนของแนวคิดที่เราได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะค ะ, ะก็คือด้วยด้วยกระแสหรือว่าเทรนในการดูแลสุขภาพอะคะ่ะด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วก็นมโนแนวโน้มในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการอิสระทางด้านสุขภาพครบวงจรเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอะ น, นะค ะ, ะแล้วก็พอดีว่าวิทยาลัยเองเนี่ยมีความพร้อมทั้งในด้านของบุคลากรองค์ความรู้แล้วก็ กายภาพในด้านของการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ริมไปถึงเครือข่ายของสถานประกอบการที่ทางวิทยาลัยเนี่ยได้ได้สร้างไว้นะคะก็ก็เลยต้อง เ, อเหมือนแบบว่าเราก็เลยเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตแล้วก็พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเราจะเน้นจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ โดยเราได้มีการเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเหนือนไทยแล้วก็เพิมปัญญาไทยของเราเองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมที่มาสุขภาพขึ้น แล้วก็มีความสามารถที่จะวางแผนธรุรกิจเพื่อต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้อะคะ่ะค่ะแสดงว่าการเปิดในหลักสูตรนี้เราได้มีการศึกษาข้อมูลมาใช้เวลาค่อนข้างนานไหมคะการย์ที่เราจะมาสรุปในความรวมว่าการเปิดหลักสูตรสาขาด้านการผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของผู้ประกอบการในปัจจุบันนะคะไม่ค่ะเราใช้เวลาประมาณ2 2-3 ปีเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยเราก็จะมีการปรับปรุงเพื่อให้ เนื้อหาสาระในเรื่องของการเรียนการสอนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนนะคะเขาได้ได้อะไรไปจริงๆเนาะแล้วก็สามารถนําไปนําความรู้เนี่ยค่ะไปประกอบอาชีพได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาถามอาจารย์ว่าในหลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะต้องขอเรียนถามก่อนว่าหลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักศึกษาในการเข้าสู่หลักสูตรสาขาวิทยกรรผลิตภัณฑ์สุขภาพเรามีหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไงบ้างคะ เรื่องต้นก็คือเป็นนักเรียนที่จบชั้นม .6 ในใสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้เพราะว่าแต่ละโรงเรียนบางที่จะมีวิทย์คณิตเป็นวิทย์ภาษาแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราเรารับได้เลยแล้วกเ็เด็กจะมี เ, เกณฑ์ที่ที่ให้ก็คือเกรด จ, จะต้องมากกว่า 2.50 ค่ะมีรับทั้ง น, นักเรียนไทยแล้วก็ต่างชาติที่สามารถาสรื่อสารภาษาไทยได้ค่ะ ค่ะในการรับนี่คือเป็นลักษณะของการรับตรงด้วยไหมคะหรือว่าเราร่วมในระบบของ T Cash ะค ะ, ะตอนนี้เราเริ่มของ T Cash ค่ะก็จะเริ่มรับตั้งแต่ T Cash หนึ่งเลยนะคะซึ่งรับตั้งแต่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าันวาคมค่ะแล้วก็เราร อ, อบนี้เนี่ยจะเป็นรอบพอร์ตซิลิโอนะคะแล้วก็ T Cash สองสามสี่แล้วก็รับเหมือนกันค่ะ ซึ่งจํานวนนักศึกษาที่เรารับเพื่อมาศึกษาในหลักสูตรนี้เนี่ยจะเราจะรับทั้งหมด30คนต่อปีค่ะอาจารย์คะ30คนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยทํำไมถึงจํากัดเพียงแค่30คนคะอาจารย์มีมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรยังไงอะคะที่เราต้อ ง, องจํากัดเพียงแค่30คนนะคะคือเรา30คนเนี่ยอถ้าพูดถึงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะเราสามารถให้ให้ความรู้แล้วเด็ก เด็กคือเหมกับเข้มข้นมากกับเด็ก30คนคือไม่รับเด็กแบบเป็นร้อยคน hmm. แบบนี้แล้วอาจารย์ <Ha. S 1> ดูแลไม่ทั่วถึงแบบนี้ค่ะแล้วก็เด็ก30คนนี้จะต้องเป็นเด็กที่จบออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยค่ะ น้องๆที่เข้ามานะคะคในเกณฑ์ที่ทางคณะเองทางวิทยาลัยแพทย์แผนไทยเองกําหนดไว้ในหลักสูตรนี้30คนนะคะอาจารย์ในตัวหลักสูตรเองค่ะสาขานวัต ก, กรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดในวงกว้างว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของการทําผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะคะแล้วในหลักสูตรของการเรียนล่ะคะอาจารย์น้องๆจะได้เรียนในด้านอะไรบ้างอะคะ สำหรับในหลักสูตรนี้นะคะเราจะเน้นเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะโดยเราจะเน้นที่สารจากธรรมชาตินะคะโดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วัตถุดิบที่นํามาใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะใช้อย่างไรต้องใช้เท่าไหร่นะคะถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะคะ เมื่อเราได้เรียนรู้ในส่วนของวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปเรียนในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะโดยจะเจะรียนเกี่ยวกับการตั้งสูตราหรับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นเซลลหรือว่าเป็นยาเม็ดนะคะอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นน้ำแบบนี้นะคะซึ่งจะต้องมีการพัฒนานะคะให้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ มีการควบคุมคุณภาพด้วยนะคะมีการประเมินผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทที่นักศึกษาเขาได้ทํานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาทํามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเรียนในส่วนของหลักการตลาดด้วยทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะคะเพื่อที่จะเอะให้เกิดการพัฒนาเนเองนะคะจนนําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้นั่นเองะค่ะค่ะในาในการเรียนการสอนนะคะ ก็จะมีเรียนทั้งในมหาวิทยาลัยเองแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยด้วยก็จะเป็นในส่วนของสถานประกอบการต่างๆนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเขาทําเกี่ยวกับทางด้านวิจารณ์ด้านสิทธิพละค่ะค่ะแล้วในเรื่องของความร่วมมือล่ะคะทราบว่าทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเองมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการค่อนข้างมากเรามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการที่จะให้น้องๆได้เข้าไปศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใดคะจันคะ ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าพอดีทางทางวิทยาลัยค่ ะ, คะซึ่งซึ่งทํำ MOU ร่วมกับบริษัทจํานวนยี่สิบริษัทนะคะ<อ>ซึ่งก่อนหน้านี้นก็จะมีทั้งอมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นอาทางมหาวิทยาลัยของซีเหมือนเนี้ยค่ะอันนี้เราก็ทําำ MOU ร่วมด้วยค่ะได<อ>้เพราะฉะนั้นเด็กเขาก็สามารถที่จะเอไปตามที่ต่างๆตามที่เขาต้องการด้วยอ่าได้นะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ก่อนที่เด็กเขาจะออกไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์ เพื่อที่จะให้เด็กเขาเขาสามารถไปในส่วนนั้นได้ค่ะค่ะหลักสูตรนี้เป็นสี่ปีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะสี่ปีค่ะค่ะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเรามีส่วนที่เราได้เรียนทางในวิทยาลัยส่วนหนึ่งละนะในในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เรียนกับผู้ประกอบการคือการไปเป็นลักษณะของการฝังตัวหรือว่าเป็นการดูงานหรือว่าเป็นการไปฝึกงานอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ ก็คือเด็กเขาจะได้ไปดูงานช่วงช่วงปีปีหนึ่งแบบเนี้ค่ะคือเด็กเขาจะได้ไปดูงานตามสถานประกอบการที่จะให้รู้ว่าอ๋อเวลาตัวเองเรียนมาแล้วเนี่ยเขาสามารถไปทํางานในส่วนไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ช่วงอย่างช่วงปีสองก็ปีสอปีสามปีสี่แบบเนี้ยค่ะก็คือจะมีอ่าอาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วมสอนด้วยนะคะและปีสามปีสี่เด็กเขาจะได้ออกไปอไปฝึกงานนะคะไป ฝึกงานเฉพาะตำแหน่งนะคะซึ่งซึ่งเขาก็จะคอนเซนเทรตไปกับสายอาชีพนั้นๆเลยนะคะส่วนปีสี่เทอมสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการอยู่เลยนะคะซึ่ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสาที่ดีที่เด็กเข า, าจะได้ทำงานต่อในสถานประกอบการนั้นๆด้วยอ ะ, ค, ะค่ะค่ะน้องๆหลายท่านหรือคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจารย์แนะนาเรามาว่าเรา หลักสูตรนี้ยเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องที่เริ่มต้นเลยในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะอาจารย์แต่น้องๆที่จบลงมาแล้วล่ะคะถ้าเราจะมาเรียกกันว่าจบแล้วเราจะทําอาชีพอะไรบ้างอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมคะว่าอาชีพที่งน้องสามารถที่จะรองรับได้หลังจากจบหลักสูตรมีอาชีพอะไรบ้างอะค่ะค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นนักวิจัยและพะัฒนาผลิตภัณฑ์ในทางด้านสุขภาพอะค่ะ ทั้งอาหารเสริมทั้ง เ, เครื่องสําอางนะคะซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็จะมีทั้งอยู่ทั้งในส่วนของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะรวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการทางด้านทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเลยนะคะถ้าในส่วนของโรงงานนะคะก็มีทั้งเป็นผู้ควบคุมการผลิตการควบคุมคุณภาพประกรันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวัตถุดิบหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านการผลิตในในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะรวมไปถึงคนที่อยากจะเป็นลักษณะของผู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพนะคะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการในส่วนของ ทางภาคดับแล้วก็ภาคอีกโซนค่ะค่ะมองดูแล้วนะคะในอนาคตแนวโนม้มเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะคะในเรื่องของที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพนกําลังมาแรงนะคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะอาจารย์สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ะสามารถเข้าไปในส่วนของ Facebook นะคะของวิทยารัยการแทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เลยนะคะหรือว่าไปที่เว็บยู dot t uh, n r m d t ac t h นะคะห <c oughs> รือว่าจะเป็นโทรศัพท์ค่ะเบอรศูนสองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะ <c oughs> ต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะค่ะต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ <c oughs> ค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์แนะนำไปว่าตอนนี้เรารับจำกัดรุ่นหนึ่งสามสิบคนเท่านั้นแล้วก็เราเปิดรับในเดือนธันวาคมเริ่มวันที่หนึ่งถึงสิ้าธันวาคมใน t c a ครอบแรกคือการยืน่นพอร์ตฟอรโอความถนัดของน้องๆก่อนนะคะ t c a คทั้งหมดก็คือส0สิบคนใช่ไหมอาจารย์รวมในทุกรอบใช่ค่ะใช่ค่ะก็ค<า>ือเราจะเน้ น, น, นที่รหนึ่งกับรอบที่2ก่อนนะคะถ้าถ้ากรณีที่ Uh, เราคัดเลือกมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเราเราต้องการเด็กเพิ่มเด็กที่มีความสามารถเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็เราก็จะเปิดในทีแค่สามกับ4ี่ค่ะค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจต้องรีบสมัครก่อนนะคะเพราะว่า3าถึงสี่เนี่ยไม่แน่ว่าถ้าคนครบแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเปิดในรอบสามแล้วก็สี่นะคะใช่ค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์สุรวดีคะอยากให้พูดถึงน้องนนิดนึงนะคะในเรื่องของ ความน่าสนใจหรือว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็การเรียนนะคะอยากจะให้ชักชวญน้องๆนิดนึงว่าพอมาเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้นําประโยชน์ไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะถ้าน้องๆมาเรียนนะคะสิ่งแรกที่น้องๆจะได้เลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะน้องๆมาเรียนเนี่ยนะคะน้องๆสามารถทําได้แล้วเดี๋ยวนี้ น้องๆเนี่ยก็ชอบเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยอาจเป็นผู้ประกอบการรายเดี่ยวนะคะซึ่งเออยากเป็นเจ้าหนายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าหนายตัวเองเนี่ยคนที่จะรู้ทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับสายอาชี p นั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมาเรียนเนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็มั่นใจะค่ะว่าน้องๆเนี่ยสามารถจบไปแล้วก็มีงานทําเอได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตอนเนี้ยอาจจะ เขาเรียกว่ายังาขาดแคลนอยู่นะคะในในส่วนของอุาตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะรวมถึงสามประเทศด้วยนะคะซึ่งถามว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยจําเป็นแล้วก็มีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่า อ, อการตลาดนะคะทางด้านของผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยมีแนวโน้มสูขมนนงส ข, ขึ้นทุก ป, ปีค่ะนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยการเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตอนเนี้ย คาะว่ามีรายได้เยอะไหมก็ต้องตอบว่ามีรายได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็ต้องการในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับในเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่จบสายเนะะี่ยค่ะก็จ ะ, ะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้สำหรับการประกอบอาชีพเพื่อทีอ่เขาเรียกว่าทำให้ตนเองเนี่ยประสบความสำเร็จได้จากแนวโน้มทุกอย่าง ท, ท, ที่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ ในโลกด้วยนะคะที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะให้เข้ามาเรียนกันค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์สุรัตน์วดีทั่งมั่งมีอาจารย์ประจํำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะที่ให้เกียรติในการมาพูดคุยการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาโนัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของหลักสูตรใหม่รับแค่30คนเท่านั้นใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บุรีนะคะถ้าเกิดสนใจก็ยื่นได้เลยในทีแคดหนึ่งในรอบของพอร์ต o l i ิโอค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใน RMT Talk ติดตามรับฟังรายการกันต่อกับรายการจากราชมงคลค่ะ